มาศึกษามาเรียนรู้พระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้นำมาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขเกิดความเจริญให้แก่ชีวิตของตนเองสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเหล่านั้นมันสร้างกันอยู่เรื่อยๆรึอสะสมกันอยู่เรื่อยๆก็คือทรัพย์ภายใน อย่าไปสะสมทรัพย์ภายนอกมากจนเกินไปทรัพย์ภายในก็คือทรัพย์ของใจทรัพย์ที่ใจสามารถเอาติดตัวไปได้ส่วนทรัพย์ภายนอกก็คือทรัพย์ของร่างกายทรัพย์ที่ใจไม่สามารถเอาติดตัวไปได้อะไรคือทรัพย์ของกาย ทรัพย์ของกายก็คือทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆปัจจัยสี่คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่วิาใสยารักษาโรคและสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้เช่นลาบยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกม้นกายสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าทรัพย์ภายนอก เรือทรัพย์ของร่างกายเป็นทรัพย์ที่ไว้ใช้กับร่างกายในขณะที่ร่างกายมีชีวิตอยู่แต่หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วทรัพย์เหล่านี้ก็จะตกไปเป็นของผู้อื่นไปใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายไม่สามารถที่จะนําเอาทรัพย์เหล่าั้ ทรัพย์ของร่างกายติดตัวไปได้แต่สิ่งที่ใจสามารถที่จะเอาติดตัวไปได้ก็คือทรัพย์ภายในหรือทรัพย์ของใจทรัพย์ของใจก็คือบุญหรือบาปบุญกุศลหรือบาปบาคุศลความสุขใจหรือความทุกข์ใจ สิ่งนี้เรียกว่าเป็นทรัพย์ของใจหรือเป็นหนี้ของใจก็ได้ถ้าเป็นความทุกข์ใจก็ถือว่าเป็นหนี้ของใจถ้าเป็นความสุขใจก็ถือว่าเป็นทรัพย์ของใจความสุขใจนี้ก็มีแบ่งเป็นหลายระดับเป็นหลายระดับเรียกทรัพย์ชนิดต่างๆเช่น ทัพ์ที่เราอยู่กันขณะ น, นี้ที่เรามีกันอยู่ขณะ น, นี้เรียกว่ามนุษยทัพย์<ม>คือความเป็นมนุษย์<ม>ที่ทำให้ใจของเราได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่เรื่อยๆเพราะเรามีทรัพย์ของมนุษย์ติดติดอยู่กับใจของเรา<ม>แล้วสูงกว่าทรัพย์ของมนุษย์ก็คือเทวทรัพย์หรือทรัพย์ของเทวดา เป็นสวรรค์ชั้นต่างๆแล้วสูงกว่าทรัพย์ของเทวดาก็คือพรหมทรัพย์พรหมทรัพย์แล้วสูงกว่าพรหมทรัพย์ก็คืออริยทรัพย์ทรัพย์ของพระอริยเจ้าและของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย <c oughs> นี้อยู่เป็นทรัพย์ที่สูงสุดเป็นทรัพย์ที่มีความสุขมากที่สุดให้ความสุขได้มากที่สุด ทรัพย์ต่างๆเหล่านี้เราสามารถเอาติดตัวไปได้ถ้าเราสร้างทรัพย์ในระดับไหนได้เราก็จะเอาทรัพย์ในระดับนั้นไปหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วใจของเราหรือรนี่คือใจเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายผู้ใช้ให้ร่างกายทำอะไรต่างๆไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ร่างกายเป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟ mm hmm. เมื่อถึงเวลาธาตุทั้งสี่นี้ mm hmm. ก็จะต้องแยกออกจากกัน mm hmm. กลับคืนสู่ที่ตั้งเดิมของเขาพอ mm hmm. เ, เกิดการแยกตัวกัน mm hmm. ก็เกิดความตายของร่างกายปรากฏขึ้นมา mm hmm. ก่อนที่ร่างกายจะตาย mm hmm. ก็จะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยมี ความแก่ความชราปรากฏให้เห็นก่อนเป็นเครื่องบอกว่าร่างกายนี้จะเริ่มแยกออกจากกันแล้วธาตุทั้งสี่ที่มารวมตัวกันมาสร้างร่างกายนี้เขาจะต้องกลับคืนสู่ที่ตั้งเดิมของเขาธาตุดินก็ต้องกลับไปสู่ธาตุดินธาตุน้ําก็ต้องกลับไปสู่ธาตุน้ํา ธาตุลมก็ต้องกลับไปสู่ธาตุลมธาตุไฟก็ต้องกลับไปสู่ธาตุไฟเมื่อถึงเวลาที่ธาตุทั้งสี่ที่มารวมตัวกันสร้างร่างกายนี้แยกตัวออกจากกันร่างกายนี้ก็จะย่อยสลายไปหายหไปหม ด, ดเวลาคนตายสิ่งแรกที่แยกออกไปก็คือธาตุลม ไม่มีลมเข้าไม่มีลมออกมีแต่ลมออกตามตามด้วยธาตุไฟ<ม>คือความร้อนในร่างกายร่างกายของคนตายนี้ก็จะเย็นจะเย็นกว่าร่างกายของคนเป็นเพราะร่างกายของคนเป็นนี้ยังมีธาตุไฟทำงานอยู่แต่ร่างกายของคนตายนี้ธาตุไฟหยุดทำงาน หลังจากนั้นธาตุน้ำก็จะตามออกไปแยกออกจากธาตุดินเมื่อน้ำออกไปหมดร่างกายก็จะแห้งกรอบแล้วก็ผุกลายเป็นดินต่อไปตามลาดับนี่คือเรื่องของร่างกายเป็นของชั่วคราวไม่มีตัวตนอยู่ในร่างกายอันนี้ร่างกายนี้ไม่มีเราอยู่ในร่างกาย เราไม่ได้เป็นร่างกาย ร, าร่างกายไม่ได้เป็นเราเราเป็นใจเป็นผู้รู้ผู้คิดเวลาที่ร่างกายตายไปใจเราก็เปลี่ยนชื่อเป็นดวงวิญญาณไปจะเป็นดวงวิญญาณชนิดไหนก็อยู่ที่ทรัพย์ที่เราสะสมไว้ตอนนี้เราเป็นมนุษย์การที่เราจะรักษาความเป็นมนุษย์หรือทรัพย์ สมบัติของมนุษย์ได้เราก็ต้องมีศีลห้าไม่ทําบาปถ้าเราเริ่มทําบาปเราก็จะเริ่มสูญเสียมนุษย์มนุษย์สัญญาซับไปแล้วก็ได้ทรัพย์ของเดลอาชานบ้างทรัพย์ของเปรดซั์ของอสุรกายหรือทรัพย์ของนรก การกระทำบาปนี้จะทำให้เราเสื่อมจากความเป็นมนุษย์ไปขึ้น อ, อยู่กับบาปที่เราทำว่าเราทำด้วยสาเหตุอันใดถ้าเราทำบาปด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาปไม่ควรทำเช่นเราคิดว่าการทำมาหากินเลี้ยงชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้งของเรนี้เป็นของจำเป็นที่เราจะต้องทำถ้าเราไม่ทำเราก็จะตาย เราก็เลยทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเลี้ยงชีพของเราเราก็จะทํำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่ามีมีผลเสียตามมา่า็จะทําให้เราสูญเสียทรัพย์ของมนุษย์และเริ่มสะสมทรัพย์ของสัตว์ในราฉานขึ้นมาแทนถ้าเราทํำบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆอยากมีมากๆ อยากเป็นใหญ่เป็นโตเราก็ทำบาปกันถ้าทำบาปด้วยความโลภใจของเราก็จะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยเรียกว่าเปรตแล้วถ้าเราทำบาปด้วยความกลัวกลัวว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้จะมาทำร้ายเราเราก็เลยไปทำร้ายเขาก่อนทำบาปด้วยความกลัว มันก็จะทำให้ดวงวิญญาณของเราเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวเรียกว่าเป็นอสุรกาย mm hmm. แล้วถ้าเราทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเ mm hmm. ขียดแค้นจองเวรจองกรรม mm hmm. ด้วยความโกรธเกลียดดวงวิญญาณของเราก็จะเป็นนรก เป็นนรกคือดวงวิญญางที่เต็มไปด้วยความด้วยไฟของนรกคือความโกรธเกลียดความอาฆาตพยาบาทคอยเผาผลาญจิตใจอยู่เรื่อยๆ mm. อยถ้าเราทํำบาปแล้วใจของเรานจะสูญเสียทรัพย์แล้วก็จะสูญเสียความสุขจะได้สิ่งทดแทนก็คือได้แต่ความทุกข์ทุกแบบเดละชาานและทุกแบบเกลี ทุกแบบประถุลกายหรือทุกแบบนรกดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ชาวพุทธเหล่านี้ให้รักษาศีลห้าไว้ให้ดีเพราะการรักษาศีลห้านี้จะป้องกันไม่ให้เราสูญเสียทรัพย์ของมนุษย์ไปมนุษย์เสยทรัพย์ถ้าเรารักษาศีลห้าได้ตอนนี้ใจของเราก็ยังจะเป็นมนุษย์อยู่ แต่ถ้าเรารักษาสี่ห้าไม่ได้ใจของเราก็จะเริ่มกลายเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนสุลกายบ้างเป็นนรกบ้างทั้งๆที่ร่างกายของเรายังเป็นมนุษย์อยู่ก็ตามแต่ใจของเรานี้ไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วเพราะเราไม่ได้รักษาคุณสมบัติหรือรักษาทรัพย์ของมนุษย์ไว้นั่นเอง มีคำพูดที่ว่าคนเรานี้มีร่างกายเหมือนกันแต่ใจนี้ไม่เหมือนกันใจบางคนก็เป็นเดรัจฉานใจบางคนก็เป็นเปรตใจบางคนก็เป็นอสุลกายใจบางคนก็เป็นนรกใจของคนบางคนก็เป็นเทวดาเป็นพรหมหรือเป็นพระอริยเจา้าใจของเรานี้สามารถเปลี่ยนได้ ตั้งแต่ขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่จะไปเปลี่ยนตอนที่เราตายไปแล้วใจของเราเปลี่ยนไปตามบุญตามบาป ท, ที่เราทํากันอยู่ในขณะนี้ถ้าไม่ทําบาปลักษาศีลห้าได้เราก็จะรักษาใจของเราไม่ให้ตกต่ําลงกว่าการเป็นมนุษย์ได้เราก็จะรักษามนุษย์รัพย์ได้ ร่างกายเป็นมนุษย์ใจก็เป็นมนุษย์ถ้ามีศีลห้าถ้าไม่ทำบาปคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติิตประเพณีไม่พูดปลดไม่ดื่มของมึนเมาต่างๆที่จะทำให้ขาดขาดสติไม่สามารถควบคุมการกระทำได้คนที่ทำบาสมักจะ ไม่มีสติพอที่จะยับยั้งความคิดที่ไม่ดีไม่มีสติที่จะยับยั้งการพูดการกระทำทางกายที่ไม่ดีได้นั่นเองอย่างนั้นจึงต้องรักษาจึงต้องไม่ดื่มสุรายาเมางแม้ว่าสุรายาเมาเองนี่ไม่ใช่เป็นตัวตัวบาปเป็นเพียงอบายมุกแต่เป็นตัวที่จะสนับสนุน ให้เกิดการกระทำบาปขึ้นมาได้ง่ายพระพุทธเจ้ า, าจึงรวมการดื่มสุรายาเมาการห้ามดื่มสุรายาเมาที่เป็นอับอายมุกนี้อยู่ไว้ในศีลห้าด้วยเพื่อจะได้เป็นเครื่องป้องกันใจไม่ให้ไปทำบาปนั่นเองออถ้าเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาแล้วนี้การจะทำบาป ก, ก็ง่าย เช่นช่วงวันหยุดต่างๆนี้มักจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยและส่วนหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุก็คือการดื่มสุรายาเมาเนี่ยเองพอดื่มของมึนเมาเข้าไปแล้วถ้าไปขับยานยนต์ก็ไม่สามารถควบคุมยานยนต์ให้วิ่งได้อย่างปลอดภัยต่อจากอุบัติเหตุก็อาจจะทําให้เกิดการเสียชีวิตของผู้อุ่นขึ้นมา ทั้งๆ ท, ที่ไม่มีเจตนาแต่ก็มันก็เป็นบาปมันทำให้เกิดความเสียหายหเกิดขึ้นมาได้จึงต้องมีการนารงการรณรงค์อยู่เรื่อยๆเรื่องของการเมาแล้วไม่ขับถ้าจะดื่มชราก็อย่าขับรถหาคนคนขับที่ไม่ดื่มชโลกาขับรถพาเรากลับบ้านไปเพื่อความปลอดภัยของชีวิตของเราและของผู้ สุรานี่เป็นของที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและจิตใจดื่มสุราแล้วก็จะทําให้เกิดความสูญเสียทางร่างกายควาสูญเสียเงินทองสูญเสียเวลาที่เราจะเอาไปทําประโยชน์ทำอะไรได้บางอย่างได้แต่ถ้าเกิดอาการมืนมเหาแล้วก็จะไม่สามารถทํางานทําการได้สูญเสียเงินทองสูญเสียเวลามีค่า แล้วก็ยังมาทำให้สูญเสียสุขภาพทำให้ร่างกายมีโรคภัยที่เกิดจากการดื่มสุราจากพิษของสุราเช่นตับโรคตับโรคไตโรคกระเพาะเป็นต้นทำให้ชีวิตนี้อยู่ไม่นานทำให้อายุสั้นไม่มีคุณไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้วก็ทำให้ขาดสติ ไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจได้ก็จะเป็นท่าที่จะทําให้ดึงจิตใจให้ลงต่ําได้ดึงต่ําจากการเป็นมนุษย์ให้ลงกายไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือเป็นนรกต่อไปอดังนั้นควรที่จะระมัดระวัง อย่าดืม อ, อย่าดื่มสุดาหรือของบุญเมาต่างๆเพื่อรักษาสติให้มั่นคงไว้ให้ทาหน้าที่คอยคอยป้องกันหรือคอยห้ามใจเวลาที่ใจไปคิดไปพูดหรือไปทำอะไรที่ไม่ดีก็จะได้ยับยั้งไม่ได้ปกติคนที่ไม่ดื่มสุรานี้มักจะมีอาการที่สุภาพเรียบร้อย แต่พอไปถึงสุลายาเมาขึ้นมาแนละ้วพอเกิดอาการมึนเมากิริยาอาการการกระทําต่างๆก็จะกลายเป็นไม่สุภาพไปเวลาวาจาก็จะพูดหยาบคายการกระทําอะไรก็จะไปสร้างความเสียหายหเดือดร้อนให้แก่ผู้ถ้าเราอยากจะรักษาทรัพย์ภายในที่ดี เราต้องเริ่มต้นที่ด้วยการเลิกดื่มสุรายาเมาแล้วเราจะรักษาทั้งร่างกายของเราให้มีอายุยืนยาวนานขึ้นลดเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บให้น้อยลงไปแล้วก็รักษาการกระทําของเราให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมได้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติิตประเทณีไม่พูดปดได้ เราก็จะสามารถรักษาความเป็นมนุษย์ได้ทรัพย์ของมนุษย์ได้ถ้าเกิดเราตายไปโดยที่เรายังไม่ได้ทําสะสมทรัพย์ที่สูงกว่านี้ตายไปอย่างน้อยเราก็จะไม่ต้องไปใช้กรรมไนอบายตายไปเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปได้เลยดัยงนั้นจึงควรที่พยายามรักษา สิ่งแรกที่เราควรจะรักษาก็คือทรัพย์ที่เรามีอยู่ในขณะนี้ทรัพย์ภายในก็การเป็นมนุษย์ของเราเนี่เองถ้าเราอยากจะเป็นมนุษย์ต่อไปเราก็ต้องรักษารักษาศีลห้าให้ดีไม่ใช่เฉพาะแต่รักษาเฉพาะแต่วันพระเท่านั้นแต่ควรจะรักษาทุกวันทุกเวลาเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับวันพระหรือไม่ใช่วันพระ ทำบาปแล้วมันก็จะทำลายซั์คือมนุษย์เซียพย์ของเราไปที่เราเล็กเทีน้อยถ้าเราไม่ทำบาปเราก็จะรักษามนุษย์เทรยพย์ของเราให้อยู่กับเราต่อไปได้ให้เราเป็นมนุษย์ไปเรื่อยๆอย่างต่ำที่สุดขอให้เราเป็นมนุษย์ไปเรื่อยๆถ้าเรายัางขึ้นสูงกว่านี้ไม่ได้ก็ควรจาป้องกันไม่ให้เราลงต่ำไปกว่าการเป็นมนุษย์ เพราะการเป็นมนุษย์นี้อยู่ปลอดภัยกว่าสบายกว่ามีความสุขมากกว่าการไปเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วการเป็นมนุษย์นี้จะเป็นมีเป็นพบที่เอื้อต่อการสร้างทรัพย์ภายในต่างๆต่อไปถ้าไปเกิดเป็นเดรัจฉานนี้เราจะไม่มีโอกาสที่จะมาสร้างทรัพย์ภายในกัน ถ้าเราไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสูรลกายหรือไปตกในโลกนี้เราจะไม่อยู่ในฐานะที่จะมาสร้างบุญสร้างกุศลได้เลยเราก็จะต้องชดใช้กรรมที่เราทำไว้ในขณะที่เราเป็นมนุษย์เท่านั้นพบเดียวที่มีคุณประโยชน์พบเดียวที่สร้างคุณสร้างประโยชน์ให้แก่จิตใจของเราได้ก็คือทับก็คือพบของมนุษย์นี่ เพราะมนุษย์นี่แหละเป็นที่เราจะสามารถย ก, กระดับหรือสร้างทรัพย์ที่สูงกว่าทรัพย์ที่เรามีอยู่ในขณะนี้ให้มีสูงขึ้นกว่าได้จากทรัพย์ของมนุษย์เราก็สามารถสร้างเทวทรัพย์ได้จากเทวทรัพย์เราก็สร้างพรหมทรัพย์ได้แล้วจากพรหมทรัพย์นี้เราก็จะสร้างอริยทรัพย์ได้ต้องเป็นภพของมนุษย์เท่านั้นภพอย่างอื่นนี้ เป็นพบที่เราไปรับไปรับผลของบุญหรือบาปที่เราทำกันไว้ไม่ใช่เป็นที่ไปสร้างบุญหรือไปสร้างบาปกันพบที่จะมาสร้างบุญสร้างบาปได้ก็คือพบของมนุษย์นี่เราจึงควรที่พยายามที่จะรักษาทรัพย์ของมนุษย์ไว้ให้อยู่คู่กับเราไปเรื่อยๆเพื่อถ้าเรายัางไม่ได้ไปถึงที่สิ้นสุด ของการเวียนว่ายตายเกิด mm hmm. ก็ขอให้เราได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่เรื่อยๆหลังจากที่เราตายไปแล้วไม่ต้องไปเกิดไปเป็นไปเกิดในอบายถ้าเรารักษาศีลห้าได้ตลอดช mm hmm. าวพุทธเราควรจะรักษาศีลห้าเป็นนิจศินนิจศินก็คือรักษาจนเป็นนิสัยขึ้นมาไม่ต้องมาคอยสมาทานทุกวันพระ คือเราจะรักษาศีลไปทุกวันสมาทานหนเดียวก็พอเราก็รักษาศีลไปตลอดชีวิตถ้าเกิดศีลคาดก็ไม่ต้องไปขอใหม่เพียงแต่ทําความเข้าใจว่าวันนี้เราเผลสติยับยั้งอารมณ์ไม่ได้ลูกแก่โทสะหรือหรือ ล, ลูกแก่โมหะทําให้เราต้องไปทําบาปเราก็ต้องว่ากล่าวตักเตือนตัวเราเอง ให้ละมันระวังมากยิ่งขึ้นหรือถ้าถ้าจะให้ดีก็อาจจะมีการลงโทษตัวเราเองบ้างก็ได้เวลาที่เราทำบาป ก, ก็ลงโทษด้วยการบังคับให้ไปทาบุญไปทาบุญเบร์จากเงินทั้าก้อนหนึ่งให้กับวัดก็ได้ให้กับมูลนิธติต่างๆให้กับโรงพยาบาลให้กับโรงเรียนก็ได้เพราะถ้าเรามีการลงโทษตัวเราเองมันก็จะทำให้เรา ขลาบทำให้เรามีความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นถ้าเราไม่มีการลงโทษเราก็อาจจะไม่มีจิตสำนึกแล้วก็อาจจะกลับไปทำบาปซ้ำซ้ำซากซกต่อไปได้เขาจึงมีการบังจึงมีการลงโทษกันเวลาคนทำอะไรผิดเช่นถ้าขับรถผิดกฎจราจรก็จะถูกเขาจับไปปรับ ถ้าผิดมากๆเขาก็อาจจะยึดใบขับขี่เป็นต้นต้องมีบทลงโทษมีมาตรการป้องกันไม่ให้ทำซ้ำซากเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยากที่จะรักษาศีลไว้ให้อยู่อย่างมั่นคงเราก็ต้องมีมาตรการลงโทษตัวเราเองเวลาที่เราทำทําผิด ช่ว เ, เราจะได้จดจําและเราจะได้เข็ดหลาทุกครั้งที่เราทําบาป ก, ก็เอาเงินไปบริจากทําบุญที่ไหนก็ได้ที่เราชอบที่เรารักเราชอบทําบุญแบบไหนสามารถทําได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องทํากับวัดทํากับศาสนาเพียงอย่างเดียว ถ้าเราชอบทําบุญกับวัดทําบุญกับศาสนาแล้วก็ทําได้ถ้าเราชอบทํากับโรงพยาบาลเราก็ไปทํากับโรงพยาบาลก็ได้ถ้าเราชอบทําบุญกับโรงเรียนเราก็ไปทําบุญกับโรงเรียนก็ได้ถ้าเราชอบทําบุญกับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากก็ไปตามสถานสงเคราะห์ต่างๆได้ทั้งนั้นเป็นบุญทั้งนั้นเป็นบุญแล้วที่จะมาช่วยมาช่วย สร้างทรัพย์ที่สูงกว่ามนุษยทรัพย์ก็คือเทวทรัพย์แล้วก็จะช่วยต้านบาปที่เราทำไว้ก็ได้พอเวลาที่ช่วงที่เราตายนี้ใจของเรานี้จะถูกบุญและบาปที่เราได้สะสมไว้ในใจของเรานี้มาเป็นผู้ดึงใจของเราไปทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ถ้าบาปนี้มีกำลังมากกว่าบุญที่เราทำไว้บาปก็จะดึงใจเราไปเกิดในอบายไปเป็นเปรตบ้างเป็นนสุลกายบ้างไปตกนรกบ้างหรือไปเกิดเป็นสัตว์ในราชาบ้างแต่ถ้าเรามีการทำบุญอยู่เรื่อยแล้วบุญที่เราทำนี้มีกำลังมากกว่าบาปที่เราทำ บุญก็จะเึงใจของเราให้ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆไปเกิดเป็นเทพในระดับต่างๆได้ดังนั้นการที่เราลงโทษตัวเราเองด้วยการทำบุญนี้เป็นการยิงนกทีเดียวได้สองตัวยิงยิงนกด้วยกระสุนนัดเดียวแต่ได้สองตัวเพ่หนึ่งได้ความเคตหลาบเวลาเราทำบาป แล้วเราก็ลงโทษตัวเราเองด้วยการทำบุญเราก็จะมีมาตรการห้ามปามไม่ให้เราทำบาปซ้ำซาแล้วนอกจากนั้นเราก็จะได้บุญที่เกิดจากการทำบุญได้เพิ่มทรัพย์ที่สูงขึ้นจากมนุษยทรัพย์คือเทวทรัพย์ให้มีอยู่ในใจของเราเผื่อว่าเวลาที่เราตายไป เราอาจจะต้องอาศัยบุญนี้มาต้านบาปที่เราได้ทำไว้โดยที่เราไม่ตั้งใจก็ตามโดยที่เราเพ้อพังเขอก็ตามแต่ถ้าเราได้ทำบุญบุญถ้ามีมากกว่า บ, บาปมันก็จะทำให้บาปนี้ยังไม่สามารถที่จะทำทำงานได้เพราะบุญมีกำลังมากกว่าบุญก็จะเป็นผู้ชักดึงจิตใจของเรา ให้ไปสูงไปสู่ที่สูงกว่าไปอยู่ชั้นเทวดาหรือไม่เช่นนั้นก็รักษาให้เราอยู่ในระดับมนุษย์ถ้าบุญและบาปของเรานี้มีกําลังเท่ากันเวลาที่เราตายสมมุติว่าเราทําบุญไว้กับทําบาปไว้มีกําลังเท่าเทกันเวลาตายไปนี้บาปก็จะไม่มีกําลังมากกว่าบุญก็ไม่สามารถดึง ดึงใจให้ดึงดวงวิญญาณให้ไปอยู่ในอบายได้บุญก็มีกำลังไม่มากก่าบาป ก, ก็ไม่สามารถดึงใจให้ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นเทพได้เราก็จะอยู่เป็นมนุษย์ต่อไปตายไปดวงวิญญาณของเราก็จะกลับมารอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เลย แต่ถ้าเกิดบุญเรามากกว่าบาปบุญก็จะดึงเราไปอยู่ในสวรรค์ก่อนจนกว่า บ, บุญที่ดึงไปหมดหรือมีกำลังเท่ากับบาปก็จะไม่สามารถดึงให้ใจหรือดวงวิญญาณอยู่ในสวรรค์ได้เราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปเช่นเดียวกับถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญบาปก็จะดึงให้เราไปเกิดในอบายแล้วพอกาลังของบาปลดลงเท่ากับกาลังของบุญ บาปก็ไม่สามารถดึงใจให้อยู่ในอบายได้บุญก็ไม่สามารถดึงใจให้ไปอยู่ในสวรรค์ได้ใจเราก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ต่อไปมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทำบุญทำบาปกันใหม่อีกรอบหนึ่งจะทำบุญแล้อทำบาปก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีนิสัยเดิมติดตัวไว้มากน้อยเพียงไรถ้าเรามีนิสัยทาบาปติดตัวอยู่มากกว่านิสัยทาบุญ เราก็มักจะไปทําบาปมากกว่าทําบุญแต่ถ้าเรามีนิสัยที่ทําชอบทําบุญมากกว่าทําบาปเราก็จะไปทําบุญมากกว่าทําบาปหรือว่าถ้าเรามาเกิดในยุคที่เราได้อยู่กับคนฉลาดกว่าเราคนที่ชอบทําบุญไม่ชอบทําบาปก็จะสอนให้เราไปทําบุญไม่ให้เราไปทําบาปแต่ถ้าเราไปเกิดใน ครอบครัวทเขาชอบทําบาปมากกว่าชอบทําบุญเราก็จะดึงเราให้ไปทําบาปมากกว่าไปทําบุญอันนี้ก็อยู่ที่สถานการณ์เหตุการณ์หรือว่าเราเป็นคนที่ได้ศึกษาได้เรียนรู้เรื่องบุญเรื่องบาปมามากมายจนฝังลึกอยู่ในใจของเรารู้ว่าการทําบาปไม่ดีรู้ว่าการทารํ า, าทบุญเป็นสิ่งที่ดี เวลาเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็จะมักจะเลือกได้เรามักจะรู้ว่าเวลาทำบาปนี้ไม่ดีเราก็จะไม่ทำถึงแม้เราจะไปอยู่กับครอบครัวหรืออยู่กับคนที่เขาชอบทำบาปแล้วเขาชอบสอนหรือดึงให้เราไปทำบาปนี้เราก็จะไม่ทำกับเขาได้เพราะเรามีความสานึกอยู่ในใจของเรา ที่เรารู้ว่าการทำบาปเนี่ยมันไม่ดีมันทำให้ใจเราไม่สบาย mm hmm. เราก็จะเลือกแต่ทำบุญ mm hmm. ใครใครอยากจะทำบาปจะมาชวนเราไปทำบาปเราก็จะไม่ไปทำกับเขาได้อันนี้หมายหมายถึงคนที่มีจิตสำนึก mm hmm. เช่นได้มาเกิดในยุคที่มีคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้ามาคอยสั่งคอยสอนแล้วถ้าเราได้มีโอกาสได้ฟังเทศได้ฟังธรรม ได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนอยู่เรื่อยๆความรู้เหล่านี้มันก็จะฝังอยู่ในใจของเรารู้ผิดถูกดีชั่วรู้บาปบุญคุณโทษนี่แล้วความรู้นี้มันจะเป็นจิตสานึกจิตใต้สานึกที่จะอยู่กับใจของเราหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วทุกครั้งเวลาที่เราได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราถ้าเรามีจิตจิตสนึกที่ดีเราก็จะ ทำแต่การกระทำที่ดีทำแต่บุญทำแต่กุศลบาปกรรมนี้เราจะไม่ทำจะฝืนนอกจากว่าบางครั้งบางเวลาถ้ากำลังของจิตสำานึกนี้สู้กำลังของกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาไม่ได้ก็อาจจะถูกอำนาจของกิเลสตัณหาโมหะอวิชชา นึงผักดันให้ไปทำบาบ้างเป็นบางครั้งมาข่าวก็ได้ <Yeah. S 2> อันนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละคนด้วยกันว่าได้สะสมกิจสำนึกที่ดีนี้ไว้ในใจได้มากน้อยเพียงไง <Yeah. S 2> ถ้าสะสมได้มาก <Yeah. S 2> ทุกภพกทุกชาติก็จะกลับมาทำแต่ความดีละการกระทำบาป <Yeah. S 2> แล้วก็จะยกระดับ จิตใจของตนเองเพิ่มเพิ่มเพิ่มทรัพย์ภายในให้สูงขึ้นไปจากมนุษยศทรัพย์ก็จะเพิ่มเป็นเทวศรัพย์ด้วยการทำบุญทำทานทำความดีต่างๆจากเทวทรัพย์ก็ขึ้นไปสู่พรหมทรัพย์ด้วยการศึกษาปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญสตินั่งสมาธิทำใจให้สงบเข้าฌานในระดับต่างๆได้ จิตใจก็จะได้สะสมพรหมรับขึ้นมาแล้วถ้าไปถ้าไปเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนามีคำสั่งคำสอนก็จะมีโอกาสที่จะได้ยกระดับจิตใจจากพรมมรับให้ขึ้นไปสู่ระดับของอริยรับได้เพราะพระพุทธมีพระพุทธศาสนาท่านนั้นที่สอนวิธีสร้างอริยรับ สอนให้ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นไปกว่าระดับของพรหมมาซับได้ต้องมีคำสั่งคำสอนของพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ที่มาสอนให้เราให้เห็นเรื่องอริยาศาศาสัจสีให้เห็นให้เราเห็นเรื่องเรื่องปลายลักณที่จะมาใช้ในการที่จะกำจัดกิเลสตัณหาตัวที่คอยดึงใจให้ลงต่ำ ให้หมดไปจากใจพอกิเลสตัณหาหมดไปจากใจแล้วใจก็จะได้ขึ้นไปสู่จุดที่สูงสุดของของจิตใจคือจิตของพระอริยทรัพย์พระอริยบุคคลไปถึงพระนิพพานที่เป็นจุดที่สูงสุดเป็นจุดที่มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์มีแต่ความอิ่มมีแต่ความพอไม่มีความอยากไม่มีความหิว หลงเหลืออยู่ภายในใจเมื่อไปถึงจุดนั้นแล้วจิตก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องมาทำบุญทำบาปเสร็จแล้วก็ไปรับผลบุญผลบาปในอบายลึกในสวรรค์ชั้นต่างๆการเวียนว่ายตายเกิดการกระทาเหล่านี้ก็จะยุติลง ในยุคที่เราได้มาเจอคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือของพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าที่มันสอนให้พวกเรานี้มาสร้างสมมาสะสมทรัพย์ภายในกันตั้งแต่มนุษยทรัพย์ขึ้นไปสู่เทวทรัพย์จากเทวทรัพย์ก็ไปสู่พรหมทรัพย์จากพรหมทรัพย์ก็ไปสู่อริยทรัพย์ตามลําดับเบื้องต้นก็ให้ รักษาศีลอย่าทําบาปละเว้นการกระทําบาปทั้งปวงด้วยการรักษาศีลห้าไม่เสพอบายามุขสุรายาเมาและการเล่นการพนันการเที่ยวเตยความเกียดทคานการครบคนที่ชอบบายามุขเป็นมิตรเหล่านี้เป็นการกระทําที่จะดึงจิตใจให้ลงต่ำํำ เราต้องป้องกันไม่ให้จิตใจเราลอง่ําด้วยการไม่มีการกระทำสิ่งเหล่านี้ไม่เสพอบายมุขไม่แล้วก็ไม่ทำบาปถ้าไม่เสพอบายมุขแล้วโอกาสที่จะทำบาปก็จะยากขึ้นอบายมุขนี้เป็นตัวที่สนับสนุนให้ไปทำบาปได้ง่ายขึ้นเช่นดื่มชโลาแล้วมุนเมาก็จะทำให้ไปทำบาปได้ง่ายถ้าเล่นการพนันแล้วหมดเนื้อหมดตัว มีหนี้มีสินก็าาจำเป็นจะต้องไปทำบาปไปลักขโมยไปช่อโกงหรือไปป้นไปจี้ทรัพย์ของผู้อื่นมาเพื่อที่จะเอามาใช้หนี้การพนันเช่นเดียวกับการเที่ยวเต่การเที่ยวเต่นี่ก็ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายถ้าเที่ยวอยู่เรื่อยไม่ทะันละไม่ช้าก็เร็วเงินทองก็จะไม่พอเที่ยวไม่พอใช้ก็จะไปหาเงินทองโดยมิชอบไปทำบาป การกระทำเหล่านี้จึงเป็นการกระทำที่จะดึงใจให้ลงต่ำดึงใจให้ไปทำบาปตึงเรียกว่าอบา ย, ยมุกอบายก็คือพบทั้งสี่คือเดชาลเปตสุลกายนรกมุกก็คือทวารทางเข้าทางเข้าอบายนั่นเองถ้าไปเสพอ บ, บายแล้วถ้าไปเสพอ บ, บา ย, อยมุกแล้วก็เท่ากับไปยืนอยู่ปากประตูของอบายพอยืนอยู่ปากประตูเวลาเข้าไปมันก็ง่าย ถ้าเรายืนห่างไกลจากประตูการจะเข้าไปในอาบานมันก็ยาก <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นอย่าไปเสพบาบายามุกแล้วจะทําให้โอกาสที่เราจะไปทํำบาปนั้นมันยากขึ้นเมื่อมันยากขึ้นเราก็จะทํำบาปน้อยหรือทำหรือไม่ทํำบาปเลย <Okay. S 1> ถ้าเราไม่ทํำบาปเลยเราก็จะได้ไม่ต้องไปอาบายนะเ <Okay. S 1> วลาตายไป <Okay. S 1> ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เลย <Okay. S 1> แต่ถ้าเราอยากจะ ไปสูงกว่าการเป็นมนุษ ย, นย์ถ้าเราต้องการไปจุดที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆขั้นต้นเราก็ต้องไปเป็นเทพก่อนการเป็นเป็นเทพก็เกิดจากการที่เราไม่ทาบาปรักษาศีห้าได้แล้วเราก็ทำบุญทําทานด้วยทาบุญทําทานคือการเสียสละแบ่งปันข้าวของเงินทองที่เราไม่ต้องใช้ไม่ต้องเก็บเป็นส่วนเหลือส่วนเกิน เราก็เอาส่วนนี้ไปสร้างเป็นทรัพย์เป็นเทวทรัพย์ทรัพย์ภายในที่เราจะเอาติดตัวไปได้นอกจากการทําบุญทําทานด้วยข้าวของเงินทองแล้วยังสามารถทําบุญด้วยวิธีอื่นก็ได้ถ้าเราไม่มีทรัพย์แต่เราอยากจะทําบุญเรามีเวลาว่างเรามีร่างกายที่แข็งแรงมีสติปัญญามีความรู้เราก็ใช้ร่างกายของเรานี้ไปทําอาสาสมัครทํางานเพื่อประโยชน์ของให้แก่สังคมก็ได้ โดยที่ไม่คิดไม่คิดไลไม่คิดเอาผลตอบแทนไม่เอารับไม่รับเอาค่าจ้างขอทำเป็นขอขอทแบบเป็นทำบุญไปจะอาจจะไปทำประโยชน์ให้กับวัดกับโรงพยาบาลกับโรงเรียนเรือ ก, กั บ, บูุนิธติต่างๆไปเป็นอาสาสมัครเป็นจิตอาสาอย่างนี้ก็ทำบุญเป็นการสร้างสร้างเทวทรัพย์เป็นการ เป็นการทําทานอย่างหนึง่งทําทานด้วยกําลังกายทําทานด้วยกําลังความรู้วิชาความรู้เราถ้าเรามีวิชาความรู้เราก็เอาไปสอนผู้อื่นได้ให้ผู้อื่นเขาได้เรียนรู้โดยที่เราไม่คิดค่าตอบแทนแล้วเขาก็จะได้ความรู้ที่เราสอนเขานั้นไปทำมาหากินเลี้ยงชีพเขาได้เหล่านี้เรียกว่าเป็นการทําบุญทํากุศลเป็นการสร้าง เทวซั์ให้เกิดขึ้นภายในใจของเราเวลาที่เราตายไปซัย์ภายในคือเทวรับนี้ก็จะก็จะมาเป็นผู้ดึงใจเราไปสู่สวรรค์ชั้นเทพแล้วก็อาจจะช่วยต้านบาปที่เราทำไว้ไม่ให้ดึงใจเราลงไปสู่ในอบายได้ังนั้นควรที่จะทำบุญทาทานอยู่เรื่อย ถ้าทำได้ทุกวันก็จะดีทำให้มันติดเป็นนิสัยไปทำมากทำน้อยไม่สำคัญขอให้ได้ทำทำให้มันติดเป็นนิสัยไปเช่นชาวบ้านที่มีพระเดินผ่านบิณฑบาตนี้เขาก็มักจะใส่บาตรกันทุกวันเขาก็ไม่มีอะไรมากเขาก็ใส่ตามที่เขามีอยู่เขากินข้าวเขาก็แบ่งข้าวที่เขากินนี่ใส่บาตรบ้างเขาก็ได้ทำบุญได้สะสมบุญไปเรื่อยๆ ทำแล้วเวลาที่ไม่ได้ทำจะรู้สึกว่าขาดอะไรจะจะต้องหามจะต้องพยายามทำให้ได้บางคนใส่บาตรไม่ทันก็บางทีก็ต้องนั่งรถเลืกขับรถมาที่วัดมาใส่บาตรที่วัดก็มีเพราะพอพอได้ทำแล้วมันติดเป็นนิสัยมันมีความรู้สึกที่ขาดอะไรเหมือนขาดอาหาราการทาบุญทำทานนี้เป็นการให้อาหารกับจิตใจด้วย ทำให้จิตใจของเรามีความเอียงอิ่งมีความสุขมีความสบายใจเราจะช่วยต้านความอยากต่างๆของกิเลสตัณหาได้ความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกิ่นรสต่างๆนี้ก็จะน้อยลงความคิดที่อยากจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยหรือไปหาความสุขจากการดูการฟังการเที่ยวอะไรนี้ก็จะลดน้อยถอยลงไปได้เพราะใจมีอาหารคือบุญ ที่เกิดจากการทำทำความดีทำการเสียสละต่างๆนี้มาเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจทำให้เวลาที่ไม่ได้ไปเที่ยวก็จะไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว่าเวแต่ยังไดเพราะใจมีความสุขจากบุญกุศลที่ได้ทำไว้นั่นเองอันนี้ก็เป็นระดับที่สองจากมนุษย์ขึ้นไปถ้าเราอยากจะลกยกระดับใจของเราให้สูงขึ้นให้ร่ารวยขึ้นด้วยทรัพย์ภายในก็ จากมนุษย์เทวซั์ก็เป็นเทวซัพนี่ความสุขของมนุษย์นี้น้อยกว่าความสุขของเทวดาแล้วถ้าเราอยากจะให้สูงกว่ายังมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขของเทวดาก็คือมีพรหมซัพนี่พรหมซั์ก็คือการไปเป็นพรหมเป็นพรหมนี้พรหมนี้จะมีความสุขมากกว่ามากกว่าเทวดาการที่เราจะขึ้นไปสู่ระดับพรหมซับได้นี้ เราก็ต้องมีการสร้างบุญสร้างกุศลที่สูงขึ้นที่มากขึ้นจากการรักษาศีลหเราก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นการรักษาศีลแปดรักษาศีลแปเพราะการที่เราจะเข้าไปสู่ความสุขของพรหมนี้เราต้องยุติการแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายที่เป็นความสุขของมนุษย์ความสุขของเทวดาเปลียนวิธีหาความสุข จากความสุขจากการมคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพะไปเป็นความสุขของผมก็คือความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบให้เข้าสู่ฌานระดับต่างๆเข้าสู่ระดับรูปฌานและสู่ระดับอรูปฌานถ้าเข้าสู่ระดับรูปฌานได้ก็จะได้เป็นรูประคมถ้าเข้าสู่ระดับอรูปฌานได้ก็จะได้ไปสู่ระดับอรูปโผม ความสุขของรูปประชานี้น้อยกว่าความสุขของของอารูปอาูปประชาชแต่ความสุขของรูปประชานี้จะสุขมากกว่าความสุขของเทพของมนุษย์ความสุขของกามนี้สู้ความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สงบให้เข้าสู่สมาธิเข้าสู่ฌานขั้นอั้นต่างๆไม่ได้การที่จะดึงใจให้เข้าสู่ฌานขั้นต่างๆได้ก็ต้องมีการถือศีล เพื่อที่จะได้ละเว้นการหาความสุขของเทพของมนุษย์ตนเองมนุษย์กับเทพนี้ยังหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดท่าพะอยู่ยังหาความสุขจากการร่วมหลับนอนด้วยกันยังหาความสุขจากการดูการฟังการเสพรูปเสียงกลิ่นรสด้วยวิธีการต่างๆร้องราทําเพลงดูหนังดูภาพยนตร์ไปงานเลี้ยงงานงานอะไรต่างๆ โดยการเสริมสวยความงามของร่างกายด้วยเครื่องสำอางน้ําหอมน้ํามันด้วยการทํำผ้าทําผมด้วยการใส่เสื้อผ้าพรที่วิจิตพิสดารต่างๆความสุขนี้เป็นความสุขของเทพของมนุษย์ที่พรมไม่เสดเพราะผมนี้รู้ว่ามีความสุขที่เหนือกว่าความสุขของเทพก็คือความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สงบ แต่การที่จะทำใจให้สงบได้ก็ต้องมีเวลาถ้า เ, าเวลาไปหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพัทธะก็จะไม่มีเวลามาทำจิตใจให้สงบเพราะการจะทาจิตใจให้สงบนี้ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรในเบื้องต้นก็ต้องใช้เวลาให้กับการเจริญสติก่อนเพราะถ้าไม่มีสติแล้วเวลานั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบให้เข้าชานี้ จะเป็นไปไม่ได้เพราะถ้าไม่มีสติเวลานั่งสมาธินี้ใจจะฟุ้งซ่านใจจะนั่งคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ปล่อยความรู้สึกอึดอัดทําให้ทนอยู่กับการนั่งต่อไปไม่ได้นั่งได้เดี๋ยวเดียวห้านาทีสิบนาทีก็อยากจะเลิกแล้วเพราะว่าไม่มีสติที่จะคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดที่ที่ที่กิเลสตัณหาความโลภความอยากอาศัยเป็นเครื่องมือ ถ้าเวลายังมีความโลภความอยากอยู่นี้มันจะทําให้ใจใจฟุ้งซ่านใจเครียดใจหงุดหงิดทําให้ใจนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ดังนั้นก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิเพื่อให้เกิดผลยายนี้เราต้องฝึกสติกันก่อนต้องสร้างสติสตินี้เป็นเหมือนเบรกของรถยนต์เวลาที่เราจะหยุดรถยนต์ในขณะที่รถยนต์กําลังวิ่งอยู่นี้เราต้องเหยียบเบรกกันรถยนต์ถึงจะหยุดได้ แต่ถ้าเราไม่มีเบรกนี้เราก็จะไม่สามารถหยุดรถยนต์ได้ถึงแม้อยากจะหยุด mm. เช่นมาถึงสีแยกไฟแดงเจอไฟแดงเข้าก็ต้องหยุดแต่ถ้าไม่มีเบรกก็จะหยุดไม่ได้ก็จะต้องวิ่งฝ่าไฟแดงไปแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุชนกับรถที่วิ่งมาทางอื่นได้ใจของเราก็เหมือนรถยนต์ที่วิ่งอยู่นี้วิ่งด้วยความคิดใจของเรานี่คิดทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นขึ้นมานี่เราเริ่มคิดกันเลย พอตืน่นเข้ามาคิดว่าวันนี้วันอะไรจะไปทําอะไรที่ไหนอย่างไรหรือคิดถึงเมื่อวานนี้คิดถึงพรุ่งนี้คิดเลื่อยเปลื่อยไปคิดไปตลอดวันไม่เคยหยุดคิดเลยถ้าถ้าไม่ฝึกสติให้หยุดคิดก่อนเวลามานั่งสมาธิจะมาฝึกตอนนั้นก็ไม่มีกําลังพอบอกให้ดูลมมันก็ไม่มีกําลังที่จะดูลมบอกให้บริกรรมพุทโธพุทโธมันก็จะไม่มีกําลังที่จะบริกรรมพุทโธ มันก็อยากไปคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้จนเกิดอาการฟุ้งซ่านขึ้นมาแล้วก็เกิดความอยากขึ้นมาเราคิดคิดถึงสิ่งนั้นก็อยากจะไปทำสิ่งนั้นคิดถึงสิ่งนี้ก็อยากจะไปทำสิ่งนี้คิดถึงอาหารก็อยากจะไปกินอาหารคิดถึงเครื่องดื่มก็อยากจะไปดื่มมันก็เลยทำให้นั่งต่อไปไม่ได้เราต้องพยายามหยุดความคิดเหล่านี้ให้ได้ก่อนด้วยการหมั่นเจริญสติ ตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเลยพอเราเตื่นขึ้นมานี่ส่วนใหญ่เรายังไม่ต้องมีความจําเป็นจะต้องคิดเรื่องราวต่างๆเราก็คอยคุมความคิดอย่างให้คิดวิธีที่จะไม่ให้คิดก็ทําได้หลายวิธีวิธีที่เราใช้กันทั่วไปก็คือการใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธพอลืมตาขึ้นมาพอมันจะเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็พุทโธดึงมาให้มันดักคิดจากคำว่าพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆถ้าเรามีพุทโธพุทโธอยู่ในใจไปเรื่อยๆ ไม่ว่าเราจะไปทําอะไรในช่วงที่เรามีการเตรียมตัวเช่นเราตื่นขึ้นมาเราก็ต้องไปห้าวห้องน้ําล้างหน้าล้างตาแปรงฟันอาบน้ำาท่าแต่เนื้อแต่งตัวช่วงเวลานั้นน่ะเป็นช่วงที่เราสามารถเจริญสติได้เพราะช่วงนั้นเราไม่ต้องใช้ความคิดอะไรการทํางานก็เป็นทำงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันนี่มันเป็นของที่ไม่ต้องใช้ความคิดเราก็ทํากันได้ อย่าปล่อยให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ในขณะที่เราเตรียมตัวอาบน้ำอาบน้าล้างหน้าแปรงฟันใช้พุโทโธพุโทโธคอยหยุดมันอย่าปล่อยให้มันคิดถ้าเราใช้พุโทโธไปใจเราก็จะว่างจะเย็นจะเบาจะไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ <c ười> เวลาใจไม่คิดแล้วใจจะรู้สึกลงอกลงใจเบาอกเบาใจเวลาเราคิดแล้วใจของเราก็จะมีความรู้สึกหนังองหนกอกหนักใจ มีตกกังวลห่วงใยหวาดกลัวกับเหตุการณ์ต่างๆมันเกิดจากความคิดของเราทั้งนั้นนะ่ะถ้าเราหยุดคิดแล้วมันเยอะเรื่องราวต่างๆถึงแม้จะร้ายแรงขนาดไหนมันก็จะไม่เข้ามาในใจของเรามันก็จะไม่มาลบกวนใจ ม, มามาสร้างมาทำลายความสงบความว่างของใจได้ฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้พรมมรัพย์อยากจะได้ความสงบที่เกิดจากการนั่งสมาธินี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมาสร้างสติกันก่อนถ้าไม่มีสติก็เหมือนกับไม่มีเครื่องมือที่จะมาทำให้ใจสงบได้เหมือนกับเวลาที่ลดยางแตกนี้ถ้าเราไม่มีเครื่องมือเปลี่ยนยางนี่เราจะเปลี่ยนยางไม่ได้เราต้องมีเครื่องมือมีแม่แรงยกรถ ย, ยกล้อให้ลอยขึ้นแล้วก็มีเครื่องขัน น, อน็อตถอดน็อตออกแล้วถึงเราถึงจะเอา เอายางเก่าที่แตกนี้ออกมาแล้วเอายางที่ยางใหม่ที่ไม่แตกใส่เข้าไปถ้าไม่มีเครื่องมือเรามีแต่มือสองมือนี้เรายกรถยกล้อขึ้นมาให้ลอยไปไม่ได้จะขันน็อตออกก็ไม่ได้ถ้าเราไม่มีเครื่องมืออย่างใดการที่เราจะทําใจให้ของเราให้สงบได้เราก็ต้องมีเครื่องมือเราต้องมีสติฉะนั้นถ้าเราอยากจะฝึกสติอยากจะนั่งสมาธิอยากจะทําใจให้สงบ สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแล้วเราต้องพยายามฝึกสติกันก่อนไม่ใช่นนั้นแล้วเราจะนั่งสมาธิกันไม่ได้ผลพอเรานั่งไม่ได้ผลเราก็จะไม่อยากจะนั่งต่อไปเราก็จะไม่มีวันที่เราจ ะ, จะเจริญจิตใจของเราสร้างทรัพย์ที่สูงกว่า ของเทวซับและมนุษย์มนุษย์เซยซได้การสร้างมนุษย์รัพย์ัเทวรัพย์นี้ไม่ต้องใช้สติมากใช้สติในระดับสีลหก็พอมีสติรักษาศีลหได้ก็สร้างมนุษย์เซีย์ได้มีสติในการที่เอาชนะความตนันหนีความเห็นกับตัวของเราได้เราก็สามารถสร้างเทวทซัพย์ได้ แต่การที่จะสร้างพรหมทรัพย์นี่เราต้องมีสติที่สูงกว่าที่มีกําลังมากกว่าการสร้างมนุษยทรัพย์การสร้างเทวทรัพย์เราจึงต้องมาเพิ่มการเจริญสติให้มีกําลังมากขึ้นด้วยการพยายามเจริญพุทโธบทบริกรมรมพุทโธอยู่เรื่อยๆถึงแม้เวลาที่เรา หลังจากที่เราเตรียมตัวอาบน้ำอาทน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวเสร็จเวลารับประทานอาหารแล้วก็พยายามพุโทโธอย่าไปคิดอย่าไปคุยกันถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยกันต่างคนต่างพุโทโธพุโทโธกันไปคอยระงับความคิดปรุงแต่งไปเรื่อยๆไปทํางานเดินทางยังไม่ถึงที่ทํางานเราก็พุโทโธต่อไปได้ถ้าเราไม่ได้ขับรถถ้าเรานั่งรถไป หรือแม้กระทั่งในขณะที่เราทางานก็พยายามใช้สติคอยบังคับให้ใจเราอยู่กับงานที่เราทำคิดแต่เรื่องงานอย่างเดียวอย่าปล่อยให้ไปคิดเรื่องอื่นอันนี้ก็เป็นการเจริญสติได้ครึ่งหนึ่งสติที่จดจ่ออยู่กับงานไม่ลอยไปลอยมาแต่ยังต้องใช้ความคิดอยู่แต่สติที่เราต้องการนั้นคือสติที่ตั้งมั่นอยู่ไม่ลอยไปลอยมากับความคิดต่างๆไม่คิดถึงเรื่องอะไรเลย อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามฝึกขัดกันให้ได้ถ้าเราฝึกสติได้มากน้อยเวลานั่งสมาธิเราก็จะได้ผลมากน้อยตามกำลังของสติถ้ามีสติมากเราก็จะนั่งสงบได้ง่ายได้เร็วและสงบได้ได้นานถ้าเรามีสติน้อยก็จะนั่งสมาธิได้ไม่นานนั่งแล้วก็สงบได้ไม่นานอันนี้ก็อยู่ที่สติอย่าไป อย่าไ่คิดว่าเป็นปัญหาเรื่องอื่นเลยบางคนคิดว่าเป็นเพราะว่าเราเลือกกรรมาฐานไม่ถูกบางคนคิดว่าต้องใช้พุทโธบางคนว่าต้องใช้ลมหายใจบางคนก็ว่าต้องมียุบหนอพองหนอ่อเหล่านี้มันเป็นเรื่องของจิตของเราที่มันเหมาะกับเราหรือไม่แต่มันไม่ได้เป็นตัวที่จะทำให้การนั่งสมาธิของเราง่ายหรือยากเกิดผลได้เร็วหรือช้านี่อยู่ที่กาลังสติของเราเป็นหลัก ถ้ามีสติแล้วจะใช้กรรมฐานบทไหนก็สงบได้จะใช้คําบริกรรมพุโทโธก็สงบได้จะใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็สงบได้อย่าไปกังวลกับเรื่อง ก, กรรมฐานว่าจะเอาแบบไหนขอให้กังวลเรื่องสติก็แล้วกันว่าเราสามารถคอยควบคุมใจของเราไม่ให้ลอยไปลอยมาไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้หรือไม่ให้เพียงแต่สักแต่ว่ารู้รู้เฉยๆรู้โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรได้หรือไม่ อันนี้แหละเป็นตัวที่จะมาตัดสินว่าเราจะนั่งสมาธิได้สงบหรือไมอ่นอกจากการที่เราต้องรักษาศินแปดด้วยเพราะถ้าเรารักษาศินแปดแล้วเราก็จะมีเวลามาเจริญสติได้ทั้งวันถ้าเราไม่รักษาศินแปดเดี๋ยวก็จะถูกการมฉันท่าความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเด่งให้เราไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสกันเด่งให้เราไปยึดไปดื่มไปรัประทานอาหารกัน ดึงให้เราไปหาความสุขจากการร่วมหลับนอนด้วยกันไปหาความสุขจากการไปเที่ยวไปดูไปฟังไปกินไปดื่มไปทําอะไรต่างๆกันถ้าเราไปทํากิจกรรมเหล่านี้เราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาเจริญสติมานั่งสมาธิได้นี่คือการยกระดับการยกระดับหรือการเพิ่มทรัพย์ภายในให้มีมากขึ้นจากเทวทรัพย์ไปเป็นพรหมทรัพย์นี้ต้องเกิดจากการรักษาสิ่แปลก เกิดจากการเจริญสตินั่งสมาธิแล้วก็เกิดจากการที่ไปปีกวิเวกอยู่ตามลำพังไม่คุกทีกันไม่สังคมกันต้องอยู่คนเดียวจะได้มีโอกาสเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องแล้วเราก็จะได้พรหมสัพเ น, นมาแล้วถ้าเราอยากจะได้รัพย์ที่สูงกว่านี้หลังจากที่เราได้ได้พรหมสัพเพคือได้สมาธิได้รูประชานหรือว่ลูประชานแล้ว สิ่งที่เราต้องสร้างต่อไปก็คืออริยสัพพะอริยสัพพะก็คือการมีปัญญาปัญญานี้เป็นอริยสัพพะปัญญาในพระพุทธศาสนาก็มีอยูอ่คือสองอย่างคืออริยสัจสี่และไตรลักษณ์การเห็นอริยสัจสี่การเห็นว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากการจะดับความทุกข์ของใจต้องละความอยากและการจะละความอยากได้ต้องเห็นสิ่งต่างๆที่อยาก ว่าเป็นเป็นใจรักษเป็นของไม่เที่ยงเน้นเราอยากเราอยากจะหาความสุขจากการมีมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเราก็ต้องเห็นว่าทรัพสมบัติเข้าของเงินทองมันก็เป็นของไม่เที่ยงมีเจริญได้ก็มีเสื่อมได้เวลาเสื่อมก็จะทําให้เราทุกข์เพราะฉะนั้นการไปหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้ไม่ได้มาเขาว่าจะได้แต่ความสุข บางครั้งก็จะแทนที่จะได้ความสุขก็กลับจะได้ความทุกข์มาก็ได้เพราะเป็นของที่ไม่แน่นอนเป็นของที่มีเกิดมีดับเป็นนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้คือปัญญาปัญญาในอริยสัจสี่ปัญญาในใจลักษณ์ ทุกสิ่งทุกอย่างในที่มีอยู่ในโลกนี้ล้วนอยู่ภายใต้กฎของตายักทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปเวลามันดับไปความสุขที่ได้จากมันก็หายไปสิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์ใจถ้าไม่อยากจะเจอกับความทุกข์ใจก็อย่าไปอยากได้สิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้หั่ความอยากต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไป พอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจความทุกข์ความหิวความอยากความไม่สบายใจต่างๆก็จะหายไปหมดสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ความไม่สบายใจก็คือความสุขใจความอิ่มใจที่ไม่มีวันสิ้นสุดอันนี้แหละคือความสุขใจอิ่มใจที่ยวเรียวนิพนิพานนี่นิพานังปรามังสุขถังนิพานเป็นความสุขที่สูงสุดเป็นความสุขที่เลิศที่ประเสริฐที่สุด เพราะว่าเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดเป็นความสุขที่จะทําให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพรอเกิดต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาทําบุญทําบาปกันแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายกันตายไปก็ไปรับผลบุญผลบาป พ, พอใช้ผลบุญผลบาปหมดแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราได้สามารถ สะสมอริยทรัพย์ได้ด้วยการสะสมทรัพย์เบื้องต่ำไปก่อนสะสมมนุษยทรัพย์ด้วยการรักษาศี่ห้าสะสมเทวทรัพย์ด้วยการทําบุญทําทานรักษาศีลห้าแล้วก็สะสมพรหมทรัพย์ด้วยการรักษาสีลแปดฝึกสมาธิฝึกสตินั่งสมาธิให้ได้ให้ได้สมาธิให้ได้ฌานขั้นต่างๆแล้วเราก็มาฝึกทางปัญญาเพื่อให้ได้อริยทรัพย์ได้นิพพานคือเราต้อง เราต้องรู้เรื่องของอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรจ น, นะรู้เรื่องของใจรักอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราก็จะสามารถที่จะสร้างอริยทรัพย์ขึ้นมาสร้างนิพพานขึ้นมาได้ที่จะทําให้เราจะได้ยุติการเย็นร้ตายเกิดจะได้พ้นจากทุกอย่างทาวรต่อไปตามลําดับนี่คือเรื่องของทรัพย์ภายในที่พระเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธผู้ฝ่ายทำทั้งหลายมันมาเจริญกันอยู่เรื่อยๆเจริญให้มาก ทำบ่อยๆ อ, อย่าประมาทเพราะเวลาของเรามีน้อยลงไปเรื่อยๆชีวิตของเราจะสั้นลงไปเรื่อยๆทุกวันอย่าไปหลงกับการสะสมทรัพย์ภายนอกคือทรัพย์ของร่างกายคือลาบยศสรรเสริญและรูปเสียงกิรลดต่างๆาเพราะมันเป็นของชั่อคราวตายไปเราเอาอะไรไปไม่ได้เลยนี่ก็คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลามันจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะเวหาปูระปาริปุเรนติสักลังเอวเมวะอิโตทิน e ังเปตางนังอุปกะปติอิจิตังปะทิตามตุมหังทิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีชวติ ภรโสุยถาสัพพิติโยวิวัจฉันตุสัพพโลกวินาศตุมเตภวตวันตราวโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาตนาสีฤทธะนิจังวุฒาปจายิโนุจตารูธรรมวาทานติอายุวันุสุขัง ช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะเป็นช่วงเดียวที่สะดวกต่อการถามตอบคำถามถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถามเองก็เข้ามาถามที่ข้างหน้านี้ได้มีไมโครโฟนให้ท่านหยิบไปพูดได้ วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่อันนี้มีผู้รับฟังทาง Facebook 4 4 9ท่าน y ยูทูบพระสุชาติไลค์278ท่าน y ยูทูบดรวี73ท่านคลับเฮาส์8ท่านวิทยุออนไลน์13ท่านรากุติ198ท่านรวมทั้งหมด1 0 1 9ท่านครับอาจารย์ มีคำถามจากคุณวุฒิโชคนะคะกระผมใครมีความประสงค์จะรบกวนพระอาจารย์สอบถามว่าคนเราสามารถที่จะทรงอารมณ์อรูปชาในชีวิตประจําวันได้ไหมครับได้ถ้ามีสติรักษาคอยควบคุมความคิดไว้ไม่ให้คิดแต่แต่ก็จะรักษาได้ไม่นานพอต้องพอเริ่มคิดแล้วอารมณ์มันก็จะค่อยๆลดน้อยลงไป ถ้าอยากจะให้ได้อารมณ์นั้นใหม่ก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ต้องกลับเข้าไปนั่งสมาธิให้ใจนิ่งไม่ให้คิดอะไรถึงจะรักษาอารมณ์ของฌานได้พอเริ่มคิดแล้วอารมณ์ของฌานก็จะค่อยๆเสื่มไปคํำถามจากคุณอดาค่ะเราขายของแล้วลดราคาให้ลูกค้าราคาส่วนลดถือเป็นการทําทานไหมเจ้าค้า ก็เป็นส่วนที่เราไม่เราเร า, เราบจากไปให้กับคนที่ก็มาซื้อของกับเรานต้ไม่มีจา่ายแต่ถ้าเราทำบุญแล้วเราไปหักภาษีนี่เราก็จะไม่ได้บุญ <c oughs> เพราะว่าจะให้รัฐบาลเป็นคนทำบุญแทนเรา <c oughs> ถ้าอยากจะได้บุญก็อย่าไปหักภาษี <c oughs> ไปหักเรื่องอื่นใ้อย่าไปหักภาษี มันก็ถ้าเราทำทำบุญให้ให้รัฐบาลทําแทนให้รัฐบาลตัวเราไม่ได้ทําเพราะเราเอาเงินคืนบุญเกิจากการที่เราสูญเสียเสียสละเงินทองของเราไปเราต้องการปล่อยวางทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพราะมันเป็นเหมือนฐานไฟมันร้อนเวลามีเงินเราเวลาเรามีเงินมีทองแล้วเราต้องวิตกมีกงมังวลอะไรถ้าเราไม่ต้องใช้เงินได้จะดีที่สุด วิธีจะไม่ใช้เงินก็ต้องหาความสุขจากการทําใจให้สงบเวลาทําใจให้สงบแล้วใจมีความสุขก็จะไม่ค่อยหิวกับสิ่งต่างๆก็ไม่ต้องใช้เงินมากใช้เงินเฉพาะสิ่งที่จําเป็นก็คือปัจจัยสี่แล้วถ้าเราใช้แบบสมถะมากน้อยสันโดษ ก, ก็ใช้ไม่มากเสื้อผ้าไม่ต้องมีเป็นร้อยชุดหรอกมีสักพอสมควรพอพอไว้เปลี่ยนไว้อะไรได้ก็พอ รองเท้าก็มีคู่สองคู่ก็พอแล้วเท้าก็มีคู่เดียวนทาไมต้องมีรองเท้าเป็นร้อยคู่เวลาใส่ก็ใส่ได้ทีละคู่เท่านี้อย่านั้นถ้าเรารู้จักวิธีดําเนินชีวิตแบบมากน้อยสันโดษได้นี่เราจะไม่ต้องพึ่งเงินทองมากแล้วเราก็จะไม่ต้องมาวิตกไม่ต้องมากังวลกับเรื่องเงินทองมากจนเกินไปการที่เรายัางใช้เงินทองไปซื้อความสุขต่างๆอยู่นี้ เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราเพราะเราไปเราไปเพื่อของที่ไม่แน่นอนเงินทองนี่เป็นของที่ไม่แน่นอนหายากมายากแต่ไปง่ายเ <c oughs> วลามานี่กว่าจะได้ทั้งบาทนิดหน่อยแต่เวลาไปนี่แป๊บเดียวกินดูเวลาเงินเดือนออกนี่สองสามวันหมดละกว่าจะได้เงินเดือนต้องทางานต้องทั้งเดือนยงั้นอย่าไปเพื่งเงินทองได้จะดีกว่า ลดการหาหาเงินหาทองลดการใช้เงินทองลงเพื่อเราจะได้มีเวลามาหาความสุขที่ดีกว่าได้ที่ได้จากเงินทองก็คือมาฝึกสติมานั่งสมาธิกันหาความสุขแบบนี้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองขอให้เรามีเวลามีที่สงบไม่มีใครมารบกวนใจเราแล้วมีสติที่จะทําให้ใจเรานิ่งได้เราก็สามารถมีความสุขได้ เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปใช้เงินทองซื้อข้าของอะไรต่างๆดังนั้นต้องลดการทึ่งเงินทองใช้เงินทองให้น้อยลงแล้วเงินทองที่มีอยู่นีใช้ให้เกิดประโยชน์คือเอาไปทำบุญทำบุญแล้วจะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปไปเที่ยวไปดื่มไปกินไปดูไปฟังอะไรต่างๆ เพราะเป็นความสุขที่อยู่กับใจเราบุญนี่อยู่กับใจเราต่อไปแต่ความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงนี่มันมันไม่อยู่กับเรามันไปกับไปดูกับมันไปกับหนังไปกับเพลงพอเราไม่ได้ดูมันมันก็หายไปพอไม่ได้ฟังมันมันก็หายไปแต่ความสุขที่เราได้จากการทำบุญทํทานนี่มันอยู่ในใจเรา ทีเดือนก่อนเราคิดถึงบุญที่เราได้ทําไว้มันก็ยังทําให้เรามีความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาไและบุญนี่แหละเป็นเสบียงหรือจะเป็นทรัพย์ภายในที่จะทําให้เราได้ไปสวรรค์กันฉะนั้นถ้าเรายังมีเงินทองอยู่แล้วแทนอย่าไปใช้เงินทองด้วยการไปซื้อของฟุ่มเฟือยอย่าไปซื้อความสุขทางตางตหูจมูกนิ้วกายเอามาซื้อความสุขทางใจด้วยการทําบุญทําทาน มีคำถามยังยไห ม, มยังไม่มีนะ mm hmm. มีใครอยากจะถามอะไรมั้ย mm hmm. ถามเข้ามาได้เลยเชิญ mm hmm. ขอเชิญเข้ามาหยิบไมโกรโฟน mm hmm. คนที่ยกมืออะ่ะ mm hmm. มาข้างหน้านี้ Hello อาจารย์ if I focus on Pratod during my meditation how do I then practice v i Pasana s Vipassana is a different practice, which come later on. You first have to practice samadhi first, to to give strength to the mind. Mm -hmm. And the mind without strength will not be able to use vipassana or wisdom to to get rid of the defilement, the kilesa. So you first need to build up strength first for the mind by practicing meditation to calm the mind, to stop the mind from thinking. To rest the mind, to give strength to the mind. Once you have strength, then you can study vipassana to find out that the cause of your suffering or stress is by is your defilement, your greed, hate and d e l u s i o n So when you know that, anytime when you have greed or hate, then you you can stop it. If you have if you have smati, you if you might have strength, you can stop your greed, hate by the way. But if you don't have the strength, even though you know greed is not good, hatred is not good, you will not be able to stop it. So first, you need to practice uh, samadhi first, mindfulness first. Thank you, John. Where are you from? Uh, from Australia. see. Yeah. Have you been following my teaching? Uh, I recently joined the Facebook group, like to start following and started learning, um, and yeah, just your YouTube videos and just start practicing. Okay. Yeah. If you want to talk to me, every Tuesday night we have a Zoom meeting at 8 p.m. Thailand time. You can go into the Facebook page and there will be a link. y yep. You can click in and then join the meeting. you have any question have ถ้ามีใครไมที่อยากจะถามคำถามก็เชิญเข้ามาถามได้นะเพราะว่าถ้าไม่พูดทางไมโครโฟนมันจะไม่ได้ยินทั่วถึงกันไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องกลัวว่าเราโง่ที่เราถามคำถามความจริงคนถามคำถามนี่บางทีฉาลายกับคนไม่ถามเนเพราะรู้เลอกกว่ารู้มากกว่า เราอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มมากขึ้นไปงการถามคําถามนี้ไม่ได้แสดงความโง่นะเป็นการแสดงความฉลาดคือสามารถเข้าถึงธรรมะได้สามารถเข้าใจอะไรบางอย่างได้แต่ยังเข้าใจไม่ได้ครบถ้วนบริบูรณ์ก็อยากจะเพิ่มความเข้าเข้าใจด้วยการสอบถามคําถามการสนทนาธรรมคันถามตอบคําถามนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งเราจะได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่ได้รู้มาก่อน สิ่งที่เรารู้แล้วเรายังไม่เข้าใจดีก็ถ้าถามแล้วก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับจะทำให้เรากำจัดความสงสัยต่างๆให้หมดไปจับใจได้จะทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องอย่างเมื่อกี้นี้เขาถามว่าถ้าเราฝึกแต่สมาธิแล้ว เ, เมื่อไหร่เราจะไปทำวิปัสสนาเราก็บอกว่ามันต้องเป็นขั้นหนึ่งขั้นแรกเราต้องฝึกสมาธิทำใจให้สงบให้ใจมีพลังก่อน เพราะการจะต่อสู้กับกิเลสด้วยปัญญานี้ถ้าไม่มีไม่มีกําลังไม่มีไม่มีสมาธิไม่มีอิเบคขานี้ใจจะสู้กิเลสไม่ได้ถึงแม้ปัญญาจะบอกว่าต้นเหตุของความทุกข์คือกิเลสต้นเหตุของความทุกข์คือความโลภความโกรธความหลงแต่เวลาเกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาถ้าไม่มีสมาธิกาลังก็จะไม่มีความสามารถจะหยุดความโลภความโกรธความหลงได้ ดังต้องฝึกสมาธิให้สามารถหยุดใจให้ได้ก่อนเมื่อหยุดใจให้ได้แล้วทีนี้เราก็ไปศึกษาทางปัญญาว่าคนจะหยุดหยุดใจตอนไหนหยุดใจตอนที่โลภหยุดใจตอนที่โกรธหยุดใจตอนที่หลงถ้ามีกําลังก็จะหยุดได้ถ้าไม่มีกําลังก็จะไม่สามารถที่จะหยุดกิเลสได้เป้าหมายของการปฏิบัติธรรมนี้ก็เพื่อกําจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปจากใจ เพรกิเลสนี้เป็นเหมือนเชื้อโรคที่ทำให้ร่างกายไม่สบายก็คือเชื้อโรคเราป้องกันเชื้อโควิดกันเพราะเรารู้ว่าถ้าติดเชื้อแล้วเราก็ร่างกายก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องกินยาเพื่อกำจัดมันมอันในความทุกข์ใจก็เป็นโรคของใจความไม่สบายใจความเครียดความซึมเศร้าความเหงาความว้าเหว ความเศร้าโศกเสียใจอะไรต่างๆอันนี้ล้วนเป็นโรคของใจที่เกิดจากกิเลสทั้งนั้นที่เป็นเชื้อโรคของใจและยาที่จะมารักษาเชื้อโรคของใจก็คือธรรมโอสถก็คือคือ ส, สมาธิและปัญญานี่เราต้องสร้างสมาธิขึ้นมาก่อนเมื่อมีสมาธิแล้วเราก็เอาปัญญามาสอนใจว่าเวลาเกิดความโลภเราต้องหยุดมันอย่าไปทําตามใจมันอยากจะไปเที่ยวก็ต้องหยุดมันอย่างนี้ครับ อยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยก็ต้องหยุดมันถ้าเรารู้ว่ามันจะพาให้เราไปสู่ความทุกข์ต่อไปเราก็หยุดมันดีกว่าพอเราไม่ทำแล้วใจเราก็จะสงบต่อไปใจเราก็จะไม่หิวกับการจะไปเที่ยวกับการจะต้องไปซื้อของเรื่อยๆถ้าซื้อนะ่ะมันจะติดเป็นเหมือนยาเสพติด เ, ออเวลาไม่ได้ซื้อก็จะทุกข์ใจสงบจิตใจไม่สบายใจมีคาถามต่อไหมมีค่ะ จากคุณชัยยันค่ะการเจริญสติด้วยการฟังพร้อมท่องบทสวดในใจแบบนี้เป็นการยึดหลงติดอยู่ในเสียงไหมครับขอบความเมตตาพระอาจารย์แนะนาครับก็ต้องยึดติดนะเพราะว่าเสียงมันเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ใจเราสงบทำใจให้สงบก่อนเวลาสงบแล้วเราก็ไม่ต้องใช้เครื่องมือต่อไปเราสามารถสั่งให้ใจสงบได้โดยที่ไม่ต้องใช้คาบากกลีคำพุทโธพุทโธก็ได้ พอรู้ว่าใจเราฟุ้งก็มีตั้งสติปั้มมันก็หยุดเรื่อยๆจากคุณตุ้มค่ะมีเคล็ดลับทําอย่างไรให้มีสติอยู่กับพุโทโธทั้งวันครับก็ให้อยู่จะอยู่อยู่กับเราตามลำพังอย่ากอยู่กับคนอื่นเอาเวลาเจอคนอื่นนี่ต้องพูดคุยกันเอาพูดคุยกันก็ลืมเรื่องเรื่องพุโทโธไป คุยเรื่องนั้นคุยเรื่องนี้ก็ยาวไปบางทีมันมีเรื่องมาคุยกันต่อไปเรื่อยๆบางทีคุยกันเป็นชั่วโมงก็มีแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวนี่เราก็จะคอยดูคอยคุมจิความคิดด้วยกันบังคับให้เรา<ช>ท่องพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆถ้าเราต้องพุโทโธไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะควบคุมความคิดของเราได้เวลามันคิดเราก็ใช้พุโทโธหยุดมัน เวลาที่มันไม่คิดเราก็ไม่ต้องพุโทโธถ้ามันอยู่เฉยๆมันมันไม่มาคิดไม่สร้างไม่ไม่สร้างความเครียดสร้างความฟุ้งซ่านให้กับเราเราก็ไม่ต้องใช้พุโทโธหมดแล้วแหละ<า>มีใครอยากจะถามอีกไหมถ้าไม่มีก็เอาแค่นี้ก่อนนะสําหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านทรงนําเราสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปคิดนิพจารณาไปปฏิบัติ